ผานามสยามยุทธภาคที่สองว่าด้วยกองทัพกรุงสยามยกพหลพล น, นิกายเป็นมหายุหโยธาทัพใหญ่ไปกระทำศึกสงครามกับนักองค์จันรพระเจ้ากรุงกัมพูชาทิบบดีขเขมรไม่ต่อสู้ไทยนักองค์จันร์หนีไปพึ่งยวนกองทัพยวนยกมารบกับไทยไทยได้รบกับยวน และยวนได้กระทำมหายุทธนาการเป็นศึกสงครามกันมาช้านานประมาณถึง14ปีเศษมีข้อความพิสดารวิตรฐานในการศึกไท ย, ยวนดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่21ขเมรป่าดงจับหลวงราชเดชา เอาขวานผ่า อ, อกฝ่ายเจ้าพระยาสุรินราชเสนีพระยาสุเรนราชเสนาทั้งสองทัพไปด้วยกันสักหน่อยก็แต่ความสามคัคคีราวฉานเกิดการทะเลวิวาทถกเถียงกันขึ้นในกลางทางจึงโกรธกันขึ้นแล้วต่างคนต่างแยกย้ายทางไปไม่ได้เดินทัพไปทางเดียวกัน แบ่งคนไปกองละสองร้อยห้าสิบคนฝ่ายกองทัพพระยาสุเรนราชาเสนารีบเดินไปจนถึงเมืองอัตตอร์เสืบถามราวขมรชาวเมืองนั้นได้ความว่าเจ้าพระยาบรินเดชากลับทัพมาตั้งอยู่ที่เมืองโริศาสขมรแล้วและบัดนี้เกือบจะกลับทัพไปกรุงเทพอยู่แล้วจึงใช้ขุนเพชรพลชัยขึ้นมาคุมไพรพลห้าสิบมาแจ้งความยังทัพพระยามเทีนบาล แต่กองทัพพระยาสุรินทรราชเสนีนั้นเดินทัพไปช้าๆถ้าถึงบ้านใดเมืองใดก็ให้พักพลหยุดพักแล้วเที่ยวหาบุตรหญิงเลา่าและขมรตามทางไปทุกเมืองได้มาเป็นพนรรยาพักไปตามทางพวกขมินป่าดงขัดใจยิ่งนักรอบมานําหน้าไม้ยิงถูกที่อกพระยาสุรินทรราชเสนีตกช้างลงมาตายที่ตาบล น, นั้นขมินเรียกชื่อว่า สกูบ ต, ตำไรเหนากนงไทยซองแปลเป็นภาษาไทยได้ความว่าบ้านกูบช้างอยู่ในป่าดงเกือบจะถึงเมืองธานีฝ่ายลาวขมิป่าดงอยู่แล้วครั้งนั้นหลวงราชเดชาลูกกองจึงปรึกษากับพระยายโยธาสงครามขมิเก่าอยู่ในกรุงเทพซึ่งเป็นลูกปองไปด้วยกันนั้นว่า พระยาสุรินราชเสณีแม่กองมาตายเสียตามทางอย่างนี้แล้วเราจะคุมไพรพลกลับไปหาพระยามลเทียนบานแม่ทัพใหญ่ดีหรือหรือว่าจะไปสื่อราชการให้ถึงเมืองสุรินเมืองสังขราดีฝ่ายพระยายโยธาสงครามตอบว่าแม่ทัพนายกองมาตายเสียกลางทางดังนี้ชอบที่เราจะคุมไพรพลไปสื่อราชการให้ถึงเมืองสริน และเมืองสังขะตามคำสั่งแม่ทัพใหญ่จึงจะชอบด้วยราชการหลวงราชเดชาตอบว่าซึ่งเราจะไปเมืองสรินและเมืองสังขะนั้นหาควรไม่ควรแต่จะต้องกลับไปแจ้งข้อราชการให้แม่ทัพใหญ่ทราบความเสียก่อนจึงจะชอบด้วยราชการซึ่งปรึกสาราชการนั้นไม่ตกลงแข่งแย่งกันดังนี้แล้วก็เกิดวิวาแตกราวสามัคคีกันอีกชั้นหนึ่ง ยังต้องแบ่งไพรพลออกเป็นสองกองกองละร้อยี้าคนพระยายโยธาสงครามก็คุมคน125ย้าคนเดินไปสือพระราชการอย่างเมืองลาวเมืองเขมรป่าดงตามคำสั่งแม่ทัพใหญ่ฝ่ายหลวงรา ช, ชเดชาก็คุมไพรพลหนึ่งรยิ้าคนเดินกลับย้อนทางมาหาท่านแม่ทัพใหญ่ไปยังไม่ถึงแม่ทัพใหญ่ยังกำลังเดินอยู่กลางป่าฝ่ายไพรพลหนยิ้าคนนั้นกลัวว่า เดินกลับไปจะพบทัพยวนยวนจะฆ่าตายเปล่าๆ เ, เพราะคนน้อยนักไพรพลในกองไม่เต็มใจไปด้วยหลวงราชเดชาไพรจึงพาการแตกหมีกลับมาตามกองทัพพระยาโยธาสงครามพระยาโยธาสงครามได้พลไพรามากแล้วก็เดินมาถึงเมืองสรินและเมืองสังขะฝ่ายหลวงราชเดชามีคนที่สลิดติดตามไปด้วยนั้นสี่สิบหกคนก็อุสาหะเดินมาตามทางป่า แต่ยังไม่ทันจะข้ามแม่น้ํำขงขณะนั้นพบพวกขมิ้นป่าดงพวกขมินป่าดงพูดว่าไอ้ไทยพวกนี้แหละมันฉุดบุตรภรรยาของพวกเราไปทํำจำเริงเนืองเราอย่าไว้ชีวิตพวกไทยเลยพวกขมินพูดเท่านั้นแล้วก็ขี่กระบือและช้างบ้างยกเข้าล้อมไทยขมินน้ำปืนยิงถูกพวกหลวงราชเดชาตายสี่สิบคน แต่หลวงราชเดชานั้นขมรก็จับไปได้ทั้งเป็นนําขวานผ่าอกตายในที่นั้นไพรพลในกองหลวงราชเดชาเหลือตายหกคนหนีไปซุ่มซ่อนอยู่ในป่าแต่พอพวกขมร เ, เหล่าร้ายไปหมดแล้วพวกไทยหกคนผ่ากันเดินมาหาพระยาราชโยธาได้จึงได้แจ้งความตามเหตุที่เกิดแต่ต้นจนปลายนั้นแล้วหลวงราชเดชาและไพร่ไทยสี่สิบคนที่ตายนั้นต้องกับคําโบราณว่า คบคนดีมีสีแก่ตัวคบคนชั่วอับปราชัยความข้อนี้ได้แก่หลวงราชเดชาคนดีไปกับพระยาสุรินราชเสนีคนชั่วเช่นนั้นหลวงราชเดชาจึงพลอยตายไปด้วยฝ่ายพระยาราชโยธานายทัพกองหน้าเดินทัพถอยไปทางป่าตะวันออกแต่กองทัพไทยและทัพหนุนทั้งปวงจึงเดินทัพตามทัพหน้าเป็นลาดับไปครั้งนั้น กองทัพพระยาราชโยธาเดินรีบรุดไปก่อนจึงพบพวกจีนฮ่อกองโจรป่าตั้งอยู่กลางดงไ ม, ม้หอมพวกจีนฮ่อเห็นกองทัพมากองหน้าของพระยาราชโยธาเดินมาก่อนหกสิบมาน้อยกว่าพวกจีนฮ่อพวกจีนฮ่อก็ยกเข้าต่อสู้ไถกับจีนฮ่อได้ต่อสู้รบกันตั้งแต่เวลาย่ำรุ่งจนถึงสามโมงเช้ายังไม่แพ้และชนะกันขณะนั้น พอกองหลวงอภัยพักดีคุมไพรพลกองแก้วจินดาถือปืนหามแหลนร้อยเศษยกลงไปจึงเห็นกองมาเข้าต่อสู้อยู่กับพวกจีนฮ่อเป็นสามาศหลวงอภัยพักดีเห็นทหารม้าไทยตายบ้างจึงไล่ต้อนไพรพลร้อยเศษให้นําปืนหามแหลนวิ่งเข้าไปตั้งเป็นตับยิงพวกจีนฮ่อพักเดียวพวกจีนฮ่อล้มตายลงมากที่เหลือก็แตกหนีไปทหารก็ไล่ตามจับได้มาก พวกกีนห่อหนีไปไม่รอดเลยสักคนเดียวของทัพมาและทัพเดินเทา้าตามจับพวกกีนห่อมาได้สองร้อยสิบสองคนส่งมาให้พระยาราชโยธาพระยาราชโยธาให้ล่ามถามได้ความว่าเป็นพวกกีนห้อกองโจนป่ามาแต่เมืองกวางหนับมาตีบ้านลาวเมืองลาวในแขวงเมืองพวนได้เงินทองสิ่งของมากแล้วก็ยกมาทางนี้ หมายจะไปตีปร้นเมืองตังเกียก็หาสมความคิดไม่เพราะที่เมืองตังเกียนั้นมีกองทัพยวนยกไปตั้งอยู่มากเพื่อจะไปรถกับไทยที่ยกขึ้นไปทางเมืองหลวงพระบางเมื่อกองทัพยวนที่เมืองตังเกียไล่ตีพวกจีนฮ่อพวกจีนฮ่อจึงหนีข้ามเขารักป่ามาทางนี้หมายใจจะได้ไปทางเมืองําปอดคมเก็พอมาพบกับกองทัพไทยเข้าที่นี่ จึงได้รบ ก, กันดังนี้เป็นสามารถเมื่อพระยาราชโยธาได้ฟังคำใหการพวกจีนห่อดังนั้นแล้วก็เข้าใจว่าเจ้าพระยาธรรมมาและพระมหาเทพพระราชวรินแม่ทัพทั้งสามกองนั้นยกไปทางเมืองลาวหลวงพระบางจะไปตีเมืองทวนและหัวเมืองพันสิบสองปั น, นาลาวที่ขึ้นแกยวนยวนจึงได้ยกทัพมา ตั้งรอทัพยอยู่ที่เมืองตังเกียเพื่อจะได้ไปต่อรบกับไทยที่เมืองลาวหวนนั้นด้วยครั้งนี้ไทยกับยวนเป็นศึกกันใหญ่โตแน่ครั้งนั้นพระยาราชโยธาได้สิ่งของในกองทัพจีนห่อนั้นคือทองคําสายและทองคำโลหปั์ต่างๆรวมทองคําหนักหกสิบ่งเพชรพลอยต่างๆถุงหนึ่งกับเครื่องสาราวุธยุทธภัณฑ์พร้อมแล้วตรวจศพจีนห่อ ที่ถูกอาวุธถ่ายตายเมื่อรบกันนั้นจีนห่อตายในที่รบ64คนที่ไทยล้อมจับมาได้212คนจึงทราบว่าพวกจีนห่อมีไพร่พล278คนเท่านั้นยังกล้าสามารถเป็นโจรกรรมไปที่บ้านเมืองใหญ่ๆที่มีไพร่พลมากตั้งพันตั้งหมื่นให้แตกไปเก็บได้เงินทองมามากนักเพราะความกล้าหาญของพวกกีนห่อที่ขัดสนจนยากนัก ไม่มีจะกินและสู่ฝินด้วยจึงได้กล้าเป็นโจรผู้ร้ายเที่ยวปล้นสะดมพระยาราชโยธาสั่งให้หลวงอภัยพักดีพาพวกกินหอสองร้อยสิบสองคนไปตัดเท้าตัดมือทั้งสองข้างปล่อยไว้ตามทางในป่าให้เป็นแถวรายห่างๆไปตามทางเดินตลอดทางในดงไม้หอมนั้นเพื่อจะให้กองทัพยวนที่ตามมาข้างหลังจะได้เห็นเป็นอานาจของกองทัพไทย ขันตัดเท้าตัดมือพวกจีนห่อโจร212คนนั้นแล้วก็เดินทับต่อมาที่ตำบลหนึ่งขเมรนนำทางเรียกชื่อว่าอันลุงธมศออแปลเป็นภาษาไทยว่าแก่งหินขาวสั่งให้หยุดพักพนที่นั่นเป็นเวลาค่ำมืดจะเดินต่อไปเป็นการลำบากนักจึงให้ไพร่พนหยุดนอนที่นั่นคืนหนึ่งในค่ำวันนั้นมีพวกขมรเล่าร้าย รอบแอบนำปืนมายิงถูกคนในกองทัพไทยตายสี่คนแล้วพวกขมิญเหล่าร้ายก็วิ่งหนีเข้าหุบห้วยเชิงเขาไปเสียสิ้นแต่พวกขมินรอบยิงแล้วหนีไปเสียเช่นนี้ในคืนเดียวหกครั้งขอยจับก็ไม่ได้รุ่งขึ้นพระยาราชโยธาก็ยกทัพเดินต่อไปพอเวลายามเศษถึงที่ตำบลหนึ่งขมินนำทางเรียกชื่อว่าอันลุงทมรตกโคตถลัก แปลเป็นภาษาไทยว่าแก่งหินน้ําโจรน้นําตกสั่งให้ไพร่พลหยุดนอนที่แก่งน้ําโจรน้นําตกคืนหนึ่งได้แต่งให้กองคอยจับพวกขมิบเหล่าร้ายให้ได้ในคืนวันนั้นพวกขมิบเหล่าร้ายแอบรอบเข้ามาอีกนําปืนยิงถูกไทยในกองนั่งยามตายสองคนกองซุ่มก็ไล่ตามจับพวกขมิบที่ลงมือยิงปืนนั้นได้สี่คนพามาส่งให้พระยาราชยโยธา ให้ล่ามถามพวกขมิญพวกขมิญให้การว่าซึ่งแอบมายิงไทยตายหนังเพราะเจ็บอกช้าใจที่กองทัพไทยยกมาทางตะวันตกแต่ก่อนผากันจับบุตรภรรยาของขมิญป่าดงไปทําชําเราเนือ ง, งครั้งนั้นพวกขมิญชาวบ้านป่าดงช่วยกันล้อมจับนายทัพไทยชื่อพระยาสุรินทร์ราชาเสณีฆ่าเสียแล้วแล้วครั้งหลัง พวกขมีนบ้านแม่น้ำโขงตามจับนายทัไทยได้อีกคนหนึ่งชื่อหลวงราชเดชานำขวานพาอกตายแล้วข่าไพรไทยตายสี่สิบคนแต่พวกข้าพเจ้านี้ยังไม่ได้แก้แขนแก่ไทยเลยจึงได้ตามมารอบยิงฆ่าพวกไทยนี้อีกด้วยเพราะเข้าใจว่าไทยพวกเดียวกันพระยาราชโยธาได้ฟังคำให้การพวกขมรดังนั้นแล้วก็หายโกรธพวกขมร กลับโกรธพวกไทยมากนักว่าพวกไทยเรานี้คมเหงทําแก่ขเมนก่อนขเมนก็ต้องทําตอบแทนแก้แขนบ้างพูดเท่านั้นแล้วจึงสัง่งขุนนามขเมศล่ามให้สักหน้าพวกขเมนเลาร้ายสี่คนเป็นหนังสือขเมนมีความว่าโทษฆ่าคนตายสักหน้าแล้วปล่อยไปไม่ฆ่าทั้งสี่คนตั้งแต่นั้นต่อมา ไทยจะเดินกองทัพเมื่อยลา้าหรือจะพักหยุดที่ใดก็มีความสุขสบายหาอันตรายไม่ได้พวกเขเมินเหล่าร้ายไม่ได้ลอบมายิงไทยอีกเลยกองทัพไทยก็เดินกลับมาโดยสวัสดิภาพสะดวกสบายหาอันตรายไม่ได้ตลอดมาจนเข้าเขตแดนเมืองนครจำปาสักพร้อมกันทุกทัพทุกกองสมกับคำโบราณว่าไว้บทหนึ่งว่าเรามิจิตเขาก็มิจิตบ้าง อานามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่ยี่ิบเอ็ดขเมศป่าดงจับหลวงราชเดชาเอาขวานผ่าอกกำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป